ในหนังสืวิธีหน้าร้อยแดสิบเจ็ดนะครับข้อที่แปดสิบเก้าต้องเกี่ยวผ้าแล้วนะทิ่สุผู้ประสงค์ให้ทาผ้านิสีทนะพึงกระทําให้ได้ชนะคําที่แยกกล่าวตัวนี้เป็นคําแสดงขนาดของผ้านิสีทนะคือครับด้านยาวสองครึ่พระสุคด้านกว้างหนึ่งครื่งครึ่งชายผ้าหนึ่งครึ่ เมื่อทำเกินกว่านะั้นต้องอานบัดปาจิตตีที่มีการตัดเป็นวินัยกรรมเฉษท่านักบับปาจิตตีนะครับเนี่ยพาะนิสิตนะนะครับบอกว่าต้องได้ขนานี่นะย่อนก็ได้ไม่มีปัญหานะครับแต่ห้ามยากว่านี้สองศอคือป็นส่วนหนึ่งคือเจ็ดสิบห้าเซนใช่ไหมหนึ่งคือเจ็ดสิบห้าเซนสองคืบเท่าไหร่ครับอันนี้ยาไปครับแก ไม่ห้าสิบนะครับสองคืนไม่ห้าสิบเลยไม่เกินอย่ามันเตถึงไม่ห้าสิบไหมโอ้ไม่ห้าสิบมันหย่อนยอนกับจีวอนนะครับไอเป็นจีวนน้อยนะผืนใหญ่ครับไม่เกินครับมันเตมันไม่ถึงเนยก็ไม่ถึงหลอกไม่ห้าสิบนะครับไม่ห้าสิบนยมันจะเกือบจีวแล้วนะครับจีเท่านี้ได้นะคจีวอไม่ไม่เก้าสิบยังีใช่ไหมไม่ห้าสิบมันใหญ่มากนะครับ ลองดูภาคกระดานนี่ ก, กันนะอสัสนะสมัยก่อนใหญ่นะครับสาสม ส, า ส, อสองนะครับอันนี้ยังไม่ถึงอยู่แล้วครับนี้นะนด้านกว้างนะครับหนึ่งครึ่บครึ่งนะครับเท่าไรครับหนึ่งครึ่บเจ็ดสิบห้าเซนถ้าหนึ่งครบครึ่งเท่าไหร่ครึ่งของเจ็ดสิบห้าสามสามสิบเจ็ดครึ่ง แม็กสิบสองครึ่งใช่ไครับแม็กสิบสองครึ่งครับถูกต้องใามนี้แลวก็ชายผ้านะช้ที่เราแหวกใช่หมครับผ่ากานะอีเจ็ดจุด้าอีหนึ่งครึ่ก็อีเจ็ดจุดห้าเซนนะครับนี้เวลาทำตนะ้องทำนี้นะอันนี้นะจากที่บารถึงวิธีทำนะคะค่อยฟูทีหลังนะเมื่อทาเกินกว่านั้นต้องบวกรีด สมัยนี้ไม่ต้องกลัวมเ้งเไม่เกินอยู่แล้วนะครับอันนี้นะใหญ่ามากนะครับแสดงว่าคนสมัยพระพุทธเจ้าใหญ่ม า, าเขาคนตัวใหญ่นะสมัยก่อนนะคับนี่มาดูขา่าวอธิบายขังขาอะไรนะครับ ย, ยังยังนี่ต้องมันใหญ่ก่อนไม่ได้ว่าอะไรต้อมันใหญ่นะครับอ่ามาจากเรื่องพระเจ้าพคีโดยสมัยนั้นพระภาพษ์พระเจ้าประทําอยู่ณพระเชตวัน อารามของนาถาบิติกาข้ามบดีเข็มพระนครสามวัทีครั้งนั้นคุณมภาพาเจ้าทรงอนุญาตผ้ า, าสำนนั่งแก่พิสุทธิ์ทั้งหลายแล้วอนุญาตผ้านิศิตนานะครับพระจักรกีทราบว่าคุณว่าพาเจ้าทรงอนุญาตผ้ า, าสำนนั่งแล้วจึงใช้ผ้าสำนนั่งไม่มีประมาณนะครับแบบใหญ่ยาวมากนี่นะให้ห้อยลงข้างหน้าบ้างข้างหลังบ้างแห่งเตียงบ้างแห่งฝังบ้าง บรรดาพิสูจน์ที่ผู้มางน้อยสันโดนก็แพงจังเตียมพัฒนาว่าฉนัพระเจ้าพีจึงได้ใช้ผ้าสำห น, นั่งมี ป, ประมาณเล่แ ล, ล้วกราบเมื่อนั้นนั้นมาผ่านเจ้ารูองทรงส อ, งสอบถามทรงสิบเตียมพระเจ้าพัีและก็มีสิขาบทนี้ขึ้นมายังไม่เสร็จถ้ามาจากครั้งแรกเนี่ยยังยังไม่ได้อนุญาตชายชายหนึ่งคือยังไม่ได้บอกนะแค่ว่ายาวสองคืบใช่หมกว้างคือขึ้นเมือคือพระสุค น, น, น, น, น, นะครับ สมัยต่อมาที่มีเรื่องของท่านเทวทายีเกิดขึ้นนะครับก็โดยสมัยนั้นแหละท่านเทวทายีเป็นผู้มีร่างกายใหญ่ท่านปูผ้าสนามนั่งลงตรงเบื้องพระพักพระพหพาเจ้าแล้วนั่งดึงออนอยู่โดยรอบนะครับเนี่ยอาร์เอย่ายังเล็กไปท่านนะขนาดแม่เก้าสิบแม่ห้าสิบนะครับกับแม่สิบสองครึ่งนะยังเล็กกว่าท่านนะครับต้องดึงออกข้างมันนั่งไม่ค่อยได้ คือว่านตัวใหญ่มากนะครับสมัยนั้นนี่ น, นะแล้วก็นะคะรับเมื่อพราเจ้าได้ตดรัสถามท่านทานทายุในขณะนั้นว่าดูก่อรทายีเพราะเห็นุายเธอปูผ้าสำหรับนั่งแล้วจึงดึงออกโดยรอบหมุนช่างหนังเก่านะครับมันก็พวกช่างหนังเก่าที่อยู่ไปทําหนังเบริ่งออกนะให้หนังมาขยายตัวนะคะรับท่านเข้าทายีเก่าพึงว่าจริงดังพร ะ, พระพธรรมที่ได้เจ้าข่า คุณมาภาดจ้าสองนุ ญ, ญาตพลาสมานนั่งแกะท้ธหลายและเกินไปนะครับผู<ม>้โดวงดเทอะไรสองนุ ญ, ญาตใชาด่ดีหนึ่งครึ่ง น, นะครับเพราะผู้นะพอพทอกเป็นเหตุนุ ญ, ญาตใช่หนึ่งครึ่ ง, ง <c oughs> มันดูนะดูคำอธิบายนะครับนี่ตัางขาเลยสนสะิบสองนะครับเจ็ดอธิบายนศสิตพะศึกษาบท คุณท้าธิบายสิขาบทที่เจต่อไปคําว่านิสิตนะณ์นั้นเป็นชื่อของบริขาอันประกอบวิชาสามชายที่ทําไว้โดยการปูล่าเหมือนสันทัดก็ภาพผืนหนึ่งว่าปูไปเลยฉีนนะฮหรือว่าลองตัดก็ได้ใช่ไหมฉีสองที่ได้ขนาดหนึ่งคือตัวสุขคตที่ชายด้หนึ่งที่ฉีกแล้ตรงกลางจะได้ขนาดหนึ่งคือตัวสุขคตนะครับอันที่เรา ตัดเข้าไปเนี่ยคือด้านยาวด้านกว้างที่ตัดเข้าไปด้านยาวด้านกว้ า, างครับทำมาแก็ต้องด้านยาวใช่ไหมตัดเข้าไปครับนี่ที่เราตัดเป็นช้าเข้าไปานะครัส่วนใหญ่ของเรามาต่อไงครับวถ้าเป็นผ้าผืนใหญ่ยางนี่นะเวลาเราตัดกบเนี่ยเราก็ต้องตัดที่ด้านยาวแหละใช่ไหมมันจะได้บาลานซ์กันใช่ไหมครับอันนี้อันนี้เข้าตัดแล้วก็เย็นไป ตัดด้านตัดด้านกว้างผู้ผิดน่ะตัดมาด้านกว้างใช่ไหมคือถ้าพูดถึงถ้าตัดเข้าไปแต่ว่าถ้าเย็บติดก็เย็บติดเราเย็บติดตรงนี้ไปเลยใช่ไหมครับแต่ถ้าตัดแล้วไม่ตัดเนี่ยมันจะไม่บาลานกันใช่ไหมเราต้องตัดตรงนี้นะครับตัดไปเลยสองอันใช่ไมหนึ่งคือ่งเจ็ดจห้าเซนนะครับมันก็จะได้สามชาย์ตดีแล้วเขาไปเย็บเอานะเย็บตรงนั้นเอานะครับแต่ของเรานี่เมื่อได้ตัดของเราต่อเราไม่ตัดทังหมดเลย เนี่ยตัดภาพเลยนั่นัถือเลี้ยงแล้วก็ตัดลงไปเลยลองทำดูสิไม่รู้ใครใครทำนี่ยังครับเห็นเขาบอกว่ามันมันยากถ้าไปต่อมันง่ายกว่ามันยากต้องที่อรอตรงนั้นนะรอที่ตัดนะครับครเขาเรื่องนิสิต น, า, นาก็คือผ้ามีชายนะครับอันนีนะ้อันนี้ด้านกว้างใช่ไหมด้านยาวแล้วก็ผาเข้าไปเลยครันนี้มันก็จะได้ด้านกว้างใช่ไหม ไม่เกิน ด, ด้านยาวไม่เกินเมตรห้าสิบนะครับด้านกว้างไม่เกินเมตรสิบสองคึ <c oughs> <c oughs> ่งเหตุและประเภท آ, อาร์บสิขาบทนี้คเพื่าฟาจ้าทรงปรลอบภูมิศุขเจ้าพีบัญญัติไดแล้วพราะเหตุคือการใช้ผ้าสิศีร่ะเกินขนาดสิขาบทนี้มีอนุบัญญัติว่าภาษาวิคันฑิชายหนึ่งคือแต่อนุบัญญัตินะครับเป็นอาสาธรณบัญญัติพิสุนี้ไม่มีนะครับอน า, าบัต พิสูจทําำท่าที่ศิธนะได้ประมาณพอดีหรือตัดประมาณที่หนุนไว้ก็ดีเพรั้งมีปนนัญหาใช้ได้เลยได้ท่าที่เกินขณะมาแล้วต่างก่อนแล้วใช้สอนก็ดีนะครับพิสูจทําเป็นเพดานเป็นต้งก็ดีมันจะมีนะเราก็ไม่ทําท่านี่ศิธนะนะครับ <c oughs> ทําใช้เป็นอย่างอื่นได้ น, นะทําเป็นเทดยนนะครับข้างบนนะเปลือกโูกปลาะหมอนนะครับทําเป็นม่าอะไรพวกนี้ก็ได้ทั้งนั้นนะครับ ไม่ใช่ศีลทนะได้พิสุบานเป็นต้นก็ดีไม่ต้องอาบัต น, นะครับองอาบัต ส, สิกขาบนี้มีองสองเหล่านี้คือหนึ่งผ่านศีลนะที่เกินกว่าที่มีพระพก า, าก้าทรงอนุญาตไว้สองทำด้วยตนเองหรือใช้ผื่นทําได้มานะองสองนี้ก็เป็นไปตีนะครับคําที่เหลือคุณทราบโดยในมีในกอด น, นั่นแหลเงจบการอธิบายศิล ท, ทนะสิกขาหมดจบนะ โอ้ไวจริง น, ะนี่ที่ผมไปบรรยายนาสมัมมนาออธิบายถึงเรื่องข้าจีบอนะครับทั้งหมดเลยนะต้นบรรยายเราเรียนมาแล้วใช่ไหมครับตอนแรกนะในจีบอราวัางสิกีใช่ไหมต้นบรรยายนที่อนุ ญ, ญาต่านศรีรษนะน้น่ะเพราะอะไรครับริจารญาต่านศรีรษะน้มันเกิด อ, อะไรกันขึ้นเพราะสุจีเชื่อนใช่ไหมพิสูจหลายลูกใช่ไหมครับชนะหาที่ปนะนี่เข้าไปนะ เป็นเนื้อนมไข่ลุมลุงอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็หลับมัหลับไปไม่มีสตินะครับแล้วก็อาคุจิตเคลื่อนในความฝันนะครับีหลับแล้วจิตเคลื่อนเนี่ยก็เปื่อเปิดเพลือยชนะชนะใช่ไหมจีบอก็เปื่อยชนะชนะก็เปื่อยนะครับผู้ดูแก็เลยส่งนิย่าฆ่าในสีชนะนะครับก็นอนก่อนนอนไว้รองได้ใช่ไหมหรือไว้นุ่งได้เลยครับ